นะโบตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตัสะนะโบตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตตสะนะโบตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมบุตทัตสักามังพิกาเวเวดิตาบานิดาณะสัมโะเวเวดิตาบากามานังเวมะมัตตตาเวดิตาบาร์กามะนิโรโทเวดิตาโบ กรรมนิโรทคามินีปฏิปทาเวดิตบาติ <c oughs> อ่ะนั่งตามสบายวันนี้เช้าเราก็ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันมีคนใหม่หลายคนก็ควรจะมีคำถามเพื่อจะตอบโจทย์บางอย่าง ร่วมกันระหว่างใหม่กับเก่าแต่ใหม่วันนี้ก็เก่ามา่ากที่อื่นทั้งนั้นแหละดูลักษณะแล้วเนี่ยมีคำถามคำถามหนึ่งว่าทำไมเราต้องฟังธรรมและปฏิบัติธรรมนึกคำตอบไหมแต่และคนคำตอบอยู่ในหัวนี่โอ้โหกว้างมากเลยบางคนก็เหมือนกับอืม จะแกงปลาสักหม้อหนึ่งกรับลังโดดลงทะเลหลวงอยู่ตอนนี้กำลังว่ายน้าวิ่งจะปลาในหมหาสมุทรอยู่เพื่อจะให้ได้คาตอบตบางคนก็จะหุงข้าวตอนนี้กำลังเอารถแท็กอร์ไปไ ถ, ไถ่ที่อยู่ <laughs> เพื่อจะทําไร่ทานาปลูกข้าวกัน <laughs> ทำไมต้องวังทำและปฏิบัติทำรู้ไหม เพื่อเข้าถึงธรรมเอาทำไมมาด้ว้ตอบสิเก่งนักออกจากทุกเออจบแล้วนะนั่งเรามีคำตอบอือ่นไหมเร า, าเราจะได้มีสติในการใช้ชีวิตนี้ใกล้ความจริงขึ้นมาเยอะมีคำตอบอื่นอีกไหมเพื่อได้ศีลสมาธิปัญญาคือคำตอบที่พูดมาที่ถูกหมดอ่ะถูกหมดอ่ะ แต่ว่าที่มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดคำว่าเราต้องฟังทำและปฏิบัติทำเพราะอะไรคําตอบถ้า ง, ง่ายๆเลยเพื่อชีวิตจะได้มีความสุขนี่ง่ายๆเลยเพื่อชีวิตจะได้มีความสุขแต่พอฟังว่าเพื่อชีวิตจะได้มีความสุข ถ้ามามองมากับชีวิตโหดูมันมันยาวไกลเหลือเกินเพื่อชีวิตได้มีความสุขความสุขของคนมีทั้งหมดกี่ชั้นนะ่ะมีมนุษยสุขมีทิพยสุขมีชานสุขมีเฮ้อะไร เห้ยทุกทายแล้วอย่ารีบใจเย็นๆมีมนุษยสุขทิพยสุขชาญสุขวิปัสนาสุขมรสุขผลสุขนิพพานสุขเนี่ยเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้แต่ในการเดินทางชีวิตจริงๆจะเกิดจิตถึงตายเราปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นที่นั่งอยู่เนี่ยทุกคนปรารถนาความถูกหมดเลย ทุกขณะของการเคลื่อนไหวทุกขณะของความพยายามทั้งหมดล้วนแต่ปรารถนาความสุขทั้งนั้นแต่ความพยายามและความปรารถนาความสุขของเรามีเป้าที่ไม่เหมือนกันมันจึงเกิดเป็นความเชื่อเกิดเป็นความแตกต่างเยอะมากทั้งๆ ท, ที่เขาปรารถนาความสุขเหมือนกันกับเราแต่ทำไมเขาต้องไปกินเหล้าเมาอยา่า ทั้งๆ ท, ที่เขาปรารถนาความสุขเหมือนกันกับเราแต่ทำไมเขาต้องไปปล้นไปจี้ไปฆ่าทั้งๆ ท, ที่เขาปรารถนาความสุขเหมือนกันกับเราแต่ทำไมก็ต้องมาอาคันทำดี ร, งรวงโรดเอมานั่งสมาธิอยู่อย่างนี้ความหลากหลายในความแตกต่างกันแห่งกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากเรื่องเดียวคือปรารถนาความสุขไม่มีใครนะที่จะปรารถนาความทุกข์ ในความปรารถนาของความสุขนี้มีผู้ค้นคว้ามากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็ยังกันค้นคว้ากันอยู่ทําไมเราจะต้องเห็นคนตามสถานที่ต่างๆนั่งกันอยู่เก้าคนสิบคนยี่สบคนสาสิบคนเงียบต่างก็ก้มหน้าตุ้มตึกๆๆๆๆอยู่ด้วยกันได้เพราะเขาเข้าใจเรื่องเครื่องมือนั้นว่าอยู่อย่างนั้นแล้วมีความสุข ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้มีความถูกเลยและเดี๋ยวมันก็จะออกมาอีกเยอะมากไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่มนุษย์พยายามผลิตออกมาให้เกิดความสะดวกสบายอยู่เนี่ยล้วนแต่เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องมือที่จะอํานวยความสุขให้กับผู้บริโภคแล้วเกิดการประกาศประชาสัมพันธ์โฆษณาต่างๆนานาอ่ะ แล้วก็ดูดิเดี๋ยวนี้บางคนทีวีไม่ดูช่องไหนล้ดูช่องอะไรนะไอ้สีเล็กดูว่ามีตัวอะไรใหม่ๆแล้วเดี๋ยวนี้เขาอำนวยความสะดวกให้ถึงขนาดจับตัวสั์ขึ้นมาใช่ไหมพอใจอันนี้ตึกึกึกึพอใจอันนี้ตึกตึกตึกึกมันมันเป็นความปรารถนาเดียวกัน พระพุทธเจ้าใช้เวลาสี่อสงไขยกัะแสนกลับเพื่อที่จะศึกษาค้นคว้าว่าอะไรที่จะให้ความสุขอย่างแท้จริงของมนุษย์ในที่สุดพระพุทธเจ้าค้นพบค้นพบแล้วนำมาเปิดเผยและก็สอนสอนอย่างละเอียดไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งนั้น ไม่มีไม่มีข้อสงสัยที่จะส่นเร้นไม่มีนัยยะใดๆตานั้นสอนตรงๆชื่อๆง่ายๆถ้าตั้งใจฟังแล้วก็จะเข้าใจปฏิบัติตามก็จะได้ผลตามนั้นในเรื่องของความสุขและจะได้เหมือนกันแต่ว่ามันต้องทําเอาเองพอต้องทําเอาเองโอ้ยมันยากแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องไปหาของตัวเลือก หาตัวช่วยหาเครื่องรังเขาขลังหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาหลวงปู่หลวงพ่อหาเทพเจ้าหากันไปเรื่อยๆน่ที่เราหากันมาเยอะแยะมากมายไม่ใช่เพื่ออะไรฮะก็เพื่อให้ความให้ให้เราได้มีความสุขแต่ของพระพุทธเจ้าประกาศมาแล้วว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ต้องทำเองมันก็เลยไม่ค่อยชอบกันแต่พอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเราลองอย่างอื่นกันมาเยอะแล้ว ส่นมากที่มาที่นี่นี่ห้าสิบอัพคือมันลองกันมาทุกทฤษฎีแล้วเออแล้วก็เริ่มเข้าหาพระพุทธเจ้าวาที่พระพุทธเจ้าสอนอยังไงลงมาทำดูเริ่มได้ผลพอมันเริ่มได้ผลมันก็เริ่มเริ่มมาถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นการตั้งใจฟังทำและปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตมีความสุขด้วยเหตุผลย่อๆ ย, ยาวๆอย่างนี้แหละ เพราะสภาพจริงๆแล้วชีวิตของเราใจเราเนี่ยเราจะปล่อยเข้าไปจริงๆการปล่อยใจเนี่ยการปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามเรื่องราวต่างๆนี้มันเป็นพิษต่อใจของเราการปล่อยใจไปตามอารมณ์จะเป็นพิษต่อจิตของเราการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคือรั้งหยุดนิ่ง รังใจไว้ไม่ให้มันไหลไปตามอารมณ์อะเรามาดูว่าเขาจะเปรียบเหมือนกับสัตว์หกชนิดมีงูมีจระเข้อะไรอีกโอ้นี่ดีของจริงมีงูมีจระเข้มีอะไรอีก มีนกมีสุนัขจิง้งจอกสุนัขบ้านลิงสัตว์หกชนิดนี่งูมันก็จะพยายามวิ่งเข้าไปหาจอมปลวกหาโพรงจระเข้มันก็พยายามที่จะวิ่งเข้าไปหาน้ำนกมันก็พยายามบินขึ้นไปบนอากาศสุนัขจิ้งจอก มันก็จะพยายามดิ้นวิ่งเข้าไปอยู่ในราวป่าสุนักบ้านมันก็จะวิ่งวนรุนรรนอยู่กันในหมู่บ้านนั้นในบ้านนั้นที่อยู่อาศัยของตัวเองส่วนลิงมันก็จะโลดโผนตจนชะยานเข้าไปอยู่ในป่าเรียกว่าสัตว์หกชนิดต่างวิสัยต่างโคจรไม่เหมือนกันอ้าวถ้าเราปล่อยมันอย่างนั้นมันก็ไปตามทิศทางของมันใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจับสัตว์ทั้งหกชนิดเนี้ย มาผูกกันด้วยเชือกตัวละเส้นตัวละเส้นตัวเส้นและเอาปลน์ <c oughs> ของเชือกทั้งหมดมาผูกรวมกันพอผูกดวยกันแล้วเราปล่อยมันไว้ออกเราก็จะเห็นความทะยานของสัตว์ทั้งหกชนิดใช่ไหมแต่ละสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเห็นจราเข้มันจะมันจะมุ่งทะยานไปลงน้ําเห็นลิงมันจะวิ่งเข้าป่าเห็นนกมันพยายามจะบินขึ้นบนบวนอากาศเห็นอะไรก็มันจะวิ่ง สัตว์ตัวใดที่มีกําลังในการทยายามมากสัตว์ตัวนั้นก็จะได้ไปในทิศ ท, ทางของตัวเองและก็จะลากสัตว์เหล่านั้นตามไปด้วย <c oughs> ทีนี้เราเอาใหม่เรจับสัตว์ทั้งหกนี่แหละผูกไว้เชือกหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นแล้วเอาปลายของเชือกมาผูกปั๊บแล้วปักเสาวไว้หนึ่งเสา แล้วเชือกทั้งหมดเนี่ยมาผูกไว้กับเสาเราก็จะเห็นความพยายามในการที่จะทะยานออกไปของสัตว์ทั้งหชนิดเห็นจระเข้มันก็พยายามจะดึงไปดึงไปดึงไปแต่มันไปได้แค่สุดเชือกแล้วมันติดอยู่กับเสานกก็พยายามจะบินแต่มันบินได้แค่สุดเชือกเพราะมันผูกติดอยู่กับเสางูมันก็พยายามจะเลื้อยมันก็เลื้อยได้แค่สุดเชือกเพราะมันผูกติดอยู่กับเสาต่างคนต่างยื้อกันไปพยายามที่จะทะยานออกไปทะยานออกไปมันพยายามไปไหนไม่ได้ ในที่สุดทั้งหกตัวเป็นไงเหนื่อยอ่อนล้าหมดแรงก็หมอบราบอยู่กับเสาหมอบราบอยู่กับเสาเหมือนใจเราเนี่ยใจเรามันพยายามที่จะทยานออกไปทางตาอย่างหนึ่งตาพยายามที่จะ เอาใจก็เราออกไปตาพยายามที่จะเอาใจก็เราออกไปแล้วทายานก็ไปดูรูปที่ถูกใจแล้วลุ่มหลงเกิดความเพลิดเพลินในรูปที่ถูกใจพอไปเจอรูปที่ไม่ถูกใจก็เกิดการอึดอัดขยะขยงรังเกียจเรียกว่าไม่ถูกใจหู ก็ดึงใจก็เราให้ทยานออกไปหาเสียงที่ไพเราะหวานหวานที่ชอบพอใจแล้วก็จะรังเกียจจะไม่ชอบใจจะขยะกขยแยงต่อเสียงที่มันไม่ถูกใจลิ้นก็จะพาใจก็เราทยานออกไปจมูกก็จะพาใจก็เราทยานออกไป กายประสาทก็จะพยายามพาใจของเราทยานออกไปธรรมารมคือความคิดที่น่วงนึกจากเรื่องราวในอดีตต่างๆที่ใจมันน่วงนึกขึ้นมาก็พยายามที่จะพาใจของเราทยานออกไปแล้วมันก็เกิดความพอใจกับความไม่พอใจขึ้นมาที่ใจ นิธรรมชาติที่มันไหลไปแบบเนี้ยที่ต่างต่างตัวต่างคนต่างทะยานออกไปออกไปออกไปในระหว่างที่เขาทะยานออกไปเขาก็จะสะสมเรื่องราวอยู่ในใจนี้ขึ้นมาสิ่งที่สะสมอยู่ในใจเขาเรียกอาสะวะจะนาขึ้นนาขึ้นนาขึ้นนาขึ้ น, น, น, น, นแยกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งในส่วนที่ว่ามันมันใคร่มันชอบมันมันมันดีต่อดีต่อใจเรียกว่ากา ม, มาสะวะไอ้ส่วนหนึ่งที่มันล่งอมง่ายโหงเหงา มืดบอดก็เรียกอวิชชาสะวะอีกส่วนหนึ่งที่มันยึดติดว่าเป็นนั่นเป็นนี่อย่างนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่าพระวาสะวะก็มีอยู่สามลักษณะที่มันประสมหมักดองอยู่ข้างในจิตใจของเราทำให้พื้นฐานของแต่ละคนที่มีอยู่ในใจไม่เหมือนกันที่นั่งอยู่นี่บางคนก็หลงสมคัญผิดคิดว่าตัวเก่ง บางคนก็หลงสำคัญผิดคิดว่าตัวรวยบางคนก็หลงสำคัญผิดคิดว่าตัวสวยบางคนก็หลงสำคัญผิดคิดว่าตัวดีเด่นกว่าคนอื่นประสบความสำเร็จมียศมีอำนาจมีความร่ำรวยมีบริวารเยอะบางคนก็หลงผิดคิดว่าตัวเองต่ำต้อยบางคนก็หลงผิดคิดว่าตัวเองย่าแย่เป็นขยะก็สุดแท้ เป็นไปตามกําลังของสิ่งซึ่งมันหมักหมมอยู่ที่ใจอันมาจากไหนอันมาจากที่ใจมันทยานออกไปแล้วก็สะสมกลับไว้เก็บไว้ที่ใจท่านเมื่อปล่อยใจแล้วเมื่อปล่อยใจแล้วมันจะเป็นพิษต่อจิตของเราท่านวิธีเดียว ที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วนํามาเปิดเผยคือหยุดรั้งยับยั้งจิตไม่ให้ปล่อยเขาไปและวิธีที่จะยับยั้งจิตเรียกว่ากายสติคือให้วางสติไว้ที่กายขยาย อ, อกไปหน่อยเขาเรียกว่ากายยคตาสติคือให้สติระลึกเข้าไปที่กายท่องเที่ยวไปที่กายระลึกทั่วไปที่กาย จิตระลึกนะอไม่ใช่หลงนะคาว่าจิตระลึกคือว่าระลึกรู้สึกไปตามกายของตนที่ซื่อและบริสุทธิ์ไม่ใช่ระลึกและรู้สึกไปที่กายด้วยอํานาจของทิฏฐิมานะหรือตัณหาใดๆแต่แค่ระลึกอย่างบริสุทธิ์ไปที่กายสมมุติว่า น, นิ้วแต่กันเกิดความรู้สึกขึ้นก็แค่รู้สึกเงีย้ยเออ แค่รู้สึกรู้สึกได้ให้มันนิ่งต่อเนื่องก็ไปมือขยับมือยกมือขึ้นมาอย่างนี้รู้สึกที่มือมือเป็นกายเรียกว่ากายยัศิรู้สึกแน่นิ่งอยู่ที่มือเนี้ยมันเคลื่อนไหวช้าๆก็รู้สึกบิดหมุนไปซ้ายก็รู้สึกหมุนไปขวาก็รู้สึกอยู่อย่างเนี้ยถ้าเราไปเห็นใครสักคนนึงนั่งอย่างนี้เราก็ว่าเขาบ้านะ แต่นี่คือกายสติคือการจับสัตว์ทั้งหกผูกเชือกมาแล้วผูกไว้ที่เสาเข้าใจไหมนี่คือจับสัตว์ทั้งหกผูกเชือกแล้วเอาปลายเชือกมาผูกไว้ที่เสาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าของเราสอนเรื่องอะไรในกายสตินี้เอาลมหายใจสอนเรื่องลมหายใจ คือให้สติอยู่ที่ลมหายใจเราเรียกกันว่าอาณาปานาสติไม่ได้ทำอะไรเลยนะให้สังเกตคำว่าอาณาปานสตินะอย่าไปคิดให้มันกระสานสั้นเซนเยอะมากไม่มีอะไรเลยแค่ทำกายนิ่งๆแล้วก็ไม่คิดเรื่องอื่นดูนะเรื่องของอานาเนี่ยมันง่ายๆอย่างนี้ทำกายนิ่งๆไม่คิดเรื่องอื่น แล้วคิดแต่ลมหายใจรู้สึกกับลมหายใจของตัวเองเท่านั้นน่ะนอกเหนือจากนั้นไม่เอาแค่รู้สึกกับลมหายใจของตัวเองเท่านั้นดูที่มันยากหรือง่ายมันง่ายมากมันชื่อมากและมันตรงมากแค่รู้สึกอารมหายใจเป็นแบบไหนเอาแต่เดิมเนี่ยเรานั่งคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ปล่อยใจของเราออกไปให้มันเกิดการปรุงแต่งเยอะแยะ ไอ้เรื่องราวทั้งหมดอะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรามาจากการที่เราปล่อยใจของเราไปแล้วให้มันไปคิดแล้วมัไปปรุงแต่งจนแยกออกมาเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้นเป็นนั่นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งของใจเพราะเราไปปล่อยเข้าไปทีนี้อา้าวเราจับมันมาวางไว้ที่ลมหายใจอา้าวถามว่าเมื่อก่อนหน้านี้เราหายใจอยู่ไหมเราก็หายใจอยู่แต่เราปล่อยใจไปคิดเรื่องอื่น ตอนนี้ไม่เอา้าเราหายใจออกตั้งแต่ลมมันเริ่มเคลื่อนไหลออกมาเราก็รู้สึกกับลมหายใจของเราตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจนั่นคือจับจิตมาผูกไว้กับลมหายใจด้วยสติในระหว่างที่มันไปรู้ลมหายใจป๊บตั้งแต่เริ่มไหลจนสุดลมหายใจเนี่ยในขณะที่มันรู้ลมหายใจอยู่นั้นมันไปที่ตาไหมมันไม่ไป มันไปที่หูไหมมันก็ไม่ไปมันไปที่จมูกไปที่กลิ่นไปที่กายไปที่ไหนไหมมันไม่ไปหรือถ้ามันไปในขณะที่มันไปมันก็ไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจเพราะเรารู้สึกตัวเราก็พากลับมารู้ที่ลมหายใจอกีกถ้าเขารู้สึกอยู่ต่อเนื่องกับลมหายใจอยู่อย่างนั้นมันเหมือนกับสัตว์ทั้งหที่เราจับผูกไว้กับเสา แม่เขาจะดิ้นไปดิ้นไปดิ้นไปแค่สุดเชือกกลับมาอยู่ที่เสาดิ้นไปแค่สุดเชือกกลับมาอยู่ที่เสาดิ้นไปแค่สุดเชือกกลับมาอยู่ที่เสาเราไม่ปล่อยให้เขาเราไม่ปล่อยให้โอกาสของจระเข้กระโจนลงน้ําเราไม่ปล่อยโอกาสให้นกมันกระโจนขึ้นบนท้องควาณพายอากาศเราไม่ปล่อยให้โอกาสของงูเลื้อยเข้าไปสู่จอมปลวกเราไม่ปล่อยโอกาสให้ลิงโผัวทะยนเข้าไปสู่ป่าเราไม่ปล่อยโอกาส ให้สูนักจิ้งจอกให้สู่นักบ้านที่วิ่งลนลานออกไปอยู่ข้างนอกมันไปแก่สุดเชือกและกลับมาอยู่ที่หลักไปแค่สุดเชือกและกลับมาอยู่ที่หลักไปแค่สุดเชือกและกลับมาอยู่ที่หลักเหมือนกันเลยพอเรารู้ลมหายใจรู้สึกลมหายใจที่ไหลออกมันหลุดออกไปไหนก็ช่างไม่ปรุงแต่งไม่แช่ต่อดึงกลับมาที่ลมหายใจมันหลุดออกไปไหนก็ช่างดึงกลับมาออกอยู่ที่ลมหายใจ มันหลุดออกไปที่ไหนก็ช่างดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจไม่นานไม่นานเขาก็จะหมอบราบคาบอยู่กับลมหายใจอันนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนง่าย ไ, ไหมง่ายมากเลยง่ายด้วยซื่อด้วยตรงด้วยไม่มีนัยยะอันใดแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในนั้นแค่ทำตามอย่างเดียวไม่ต้องไปมีข้อสงสัย ใดๆแล้วในวิธีการเหล่านี้พระพุทธเจ้าเปิดเผยมาอย่างละเอียดถ้าเกิดมีต่อคําถามว่าอในขณะที่รู้ลมหายใจแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นเกิดมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสมุดเลยันจะอัดถังขมันจะชานาติแต่ว่าอะไรอะไรเกิดขึ้นก็ช่างแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรดับไปก็แค่รู้ว่ามันดับไปอะไรที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปสงสัยเลยว่ามันเกิดมาทําไมมันแค่เกิดขึ้นเท่านั้น และมันดับไปก็แค่ดับไปเท่านั้นและสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นไม่มีสิ่งใดที่ตั้งอยู่ได้ตลอดชั่วกับมชั่วกันมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมันก็ดับไปเห็นความจริงของสิ่งที่ปรากฏในขณะที่รู้ลมหายใจแค่สองเรื่องเท่านั้นคือเกิดขึ้นก็นกนดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปสมุทธยัญจะทั้งขมันจาชานาติ ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปปรุงแตง่งไม่ต้องไปคิดมากว่าไอ้นี on, OVER, ้อย่างน<ร>ี้แล้วมันจะเป็นยังไงไอ้นี้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงไอ้นี้อย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงไม่มีมันแค่สมุ ham, ทัยันจะอทังธมันจะชานาติคือเกิดขึ้นและก็ดับไปแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นดับไปก็แค่รู้ว่ามันดับไปโดยรวมของสิ่งที่เกิดในสภาพธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็แค่เกิดขึ้นและก็ดับไปเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีข้อสงสัยใดๆจิตก็ยังคงอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆผูกไปเรื่อยๆ บไปเรื่อยๆนี่กำลังเราบรรลุเราหายใจต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในจิตของเราเพราะจิตที่รู้ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่สูกรู้อยู่ด้วยกันนั้นเป็นจิตรู้เป็นรู้ที่บริสุทธิ์มากถ้าเรามองวัตถุอันใดอันหนึ่งด้วยความรู้สึกของเราสมมติว่าเรามองแก้วไปข้างนอกมันไม่สามารถมองนิ่งได้นะ ไม่สามารถมองนิ่งได้มันก็จะปรุงแต่งไปใสไม่ใส่สกรปรกไม่สกรปรกมีคราบไม่มีคราบว่าไปเรื่อยอแล้วก็ปรุงแต่งไปเรื่อยเพราะฉะนั้นมองอะไรแล้วมีการปรุงแต่งสิ่งนั้นเป็นนิสัยเป็นนิสัยมีมานะมีตัณหามีทิฏฐิอยู่ในการมองนั้นแต่รู้ที่รู้ลมหายใจพอลมหายใจเคลื่อนปั๊บจิตรู้สึก รู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้นั้นกับลมหายใจซึ่งบินถึงที่ถูกรู้เกาะอยู่ด้วยกันรู้นั้นเป็นอันนิสิตะไม่มีตัณหาไม่มีมรณะนะไม่มีทิฏฐิอยู่ในนั้นคิดดูซิมันจะเกิดอะไรเกิดความมหาสัจจรรันที่เป็นจริงคําว่ามหัสัจจันนี้คือแปลกแต่จริงนะมหาสัจจันเนี่ยสิ่งใดที่เป็นมหัสัจจันนี่หมายถึงว่ามันเป็นความแปลกแต่จริงคือเราไม่เคยมี ในชีวิตปกติของเราตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยจนถึงเวลานี้เนี่ยเราไม่ได้รับโอกาสแบบนี้โอกาสที่จะให้จิตของเราเป็นอนิสิตะคือไม่ต้องมีการปรุงแต่งใดๆแค่รู้อย่างบริสุทธิ์กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเรารู้ลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมหายใจในขณะที่เขารู้นั้นจะเป็นรู้ที่บริสุทธิ์และเกิดการเปลี่ยนแปลงมากเพราะเป็นอนิสิตะไม่มีตัณหาไม่มีมณะไม่มีวิธีมันเกิดอะไรขึ้น จากการที่สัตว์ทั้งหกตัวโผธยานมาตลอดชีวิตและไม่ใช่ใชี้ชาตินี้นะหลายพบหลายชาติแล้วและสะสมมาเป็นอาสวะอยู่ที่ใจทำให้ธรรมชาติของใจยัตถากามะนิปาตุนังมีปกติไหลเข้าไปหาสิ่งที่มันชอบอยู่สเสมอดูเหมือนเป็นสรญชาติยานของใจทุกทุกใจจะเหลเข้าไปหาสิ่งที่มันชอบอยู่สเสมอ อันนี้คือการทำงานของอาสวะที่อยู่ข้างในแต่เมื่อใจมารู้จิตสติมารู้อยู่กับลมหายใจนิ่งอยู่อย่างนั้นอาสวะเหล่านี้มันไม่ได้ไม่สามารถออกมาทำงานได้ใจนั้นไม่สามารถที่จะวิ่งออกไปตามธรรมชาติของกิเลสได้เห็นไหมมันจึงความนิ่งเหล่านั้นะความนิ่งของจิตที่รู้ต่อลมหายใจจึงเกิดการแผดเผาอาสวะเหล่านั้นนั้นความเพียรที่เกิดขึ้น ความเพียรในการที่รู้ลมหายใจที่ไหลออกความเพียรในการรู้ลมหายใจที่ไหลข้าวอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปนั้นมันจึงเป็นความเพียรในการที่จะแผดเผาอาสวะที่มีอยู่ในใจส่วนหยาบๆของอาสวะที่จะโผล่ออกมาที่เราเรียกกันว่านิวรนที่เราเรียกกันว่านิวรนที่มันโผล่ออกมาก็จะถูกแผดเผาในขณะที่เรารู้ลมหายใจของเราอยู่เนี่ย แล้วอยู่ๆมีความคิดเคลื่อนไหวขึ้นที่ใจของเราเป็นความคิดที่ไม่ชอบเป็นความคิดที่หงุดหงิดเป็นความคิดที่อัดอั้นเป็นความคิดที่ประกอบไปด้วยโทสะขึ้นมาจิตหลุดออกจากลมหายใจเราก็มาเห็นความคิดเหล่านี้พอเราเห็นความคิดเหล่านี้เรารู้ทันทีว่านี่คือการช่วงชิงการทํางานของอาสวะในขณะที่เรารู้ลมหายใจและเกิดความคิดเคลื่อนไหวด้วยความโกรธไอความโกรธเนี่ยเป็นการทํางานของอาสวะช่วงชิง ช่วงชิงเราพอเราเห็นอย่างนั้นเราทํำยังไงเรายกจิตเรากลับไปรู้ลมหายใจไอความโกรธตัวนี้ก็จะถูกแผดเผาต่อเข้าไปอีกคือมันพยายามรั้งดันหัวมันขึ้นมาโผล่ขึ้นมาใช่ไหมแต่เรานี่พยายามกดมันไว้โผล่ขึ้นมาเราก็กดมันไว้โผล่ขึ้นมาเราก็กดมันไว้โผล่ขึ้นมาเราก็กดมันไว้ขึ้นอยู่กับว่าเรากับมันใครจะมีแรงมากกว่ากันขึ้นอยู่ที่ว่าเรากับมันใครจะมีแรงมากกว่ากัน ถ้าถ้าเราทำไปเพียนไปเพียนไปอพอแล้วเงยเราก็แพไอจระเข้มันก็จะหลุดออกจากเชือกโผสทะยานลงน้ำนกมันก็จะบินขึ้นไปอยู่บควาอากาศอน่างั้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนจึงเป็นวิธีที่ทำให้เกิดการ ควางทำและการปฏิบัติธรรมในวันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสได้ฟังเรื่องแบบนี้ไม่มีโอกาสได้ฟังเรื่องแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถด้วยไม่มีใครสามารถด้วยถ้ามีคนสามารถนอกเหนือจากพระพุทธเจ้านะมันได้ไปแล้วที่ประเทศอินเดียสมัยก่อนนะเห็นไหมก็นั่งกำมือกันอย่างเงี้ยก็เพื่อการอะไร เพื่อความสุขอันเป็นอมะตะนั่งกำมืออย่างเนี้ยไม่ยอมแบ่จนเล็บมันงอกทะลุกออกมาหลังมือน่ะขุดดินเอาหัวควังไว้เป็นในดินแช่อยู่อย่างนั้นไม่ยอมดึงถอนหัวขึ้นมาเพื่อเห็นว่าเป็นการทําความเพียรในขั้นอุกฤษเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ความสุขเพื่อให้ได้ความสุขตามที่ใจปรารถนาให้เป็นความสุขที่เป็นอมะตะแล้วก็ไม่ได้ มันจะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าของเรารู้เสร็จสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ที่จะมามาถ่ายทอดในวันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติอย่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติพระพุทธเจ้าแค่ค้นพบแล้วนํามาสอนเราเหมือนกับสิ่งที่มันคว่ำอยู่พระพุทธเจ้าทําหน้าที่แก้หายขึ้นมาเหมือนเรายืนอยู่ในที่มืดพระพุทธเจ้าแค่ทําหน้าที่ส่องเข้าไปในความมืดให้เราเห็นความสว่างขึ้นมา ได้เห็นทางเท่านั้นเองส่วนการเดินเป็นของเรานี่เชื่อว่าพอฟังปั๊บเข้าใจเลยเข้าใจไหมฟังแล้วเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมเออถ้าฟังแล้วเข้าใจพอเราไม่ทำมันก็จะหายไปใช่ป่ะล่ะพอเราไม่ทำพพุา ก, ก็หายไปพุทธเจ้าบอกว่าคุมโมวะอังคานี้ สเกกลาเปสบูดหั่งปดุพิขุมนโนวิตักเกการยกจิตขึ้นสู่มโนวิตกลองนึกดูเขาจิตขึ้นโนขึ้นสู่วโนวิตกคืออะไรนะก็คือเนี่ยผูกมันไว้กับเสานี่แหละการยกจิตขึ้นสู่มโนวิตกก็คือการยกจิตขึ้นไปรู้ลมหายใจลมหายใจเป็นมโนวิตก ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้การยกจิตขึ้นสู่มโนวิตกและรอบรอบชีวิตเราเนี่ยเราอยู่ในท่ามกลางของอะไรเราอยู่ในท่ามกลางของมาร น, นี่ไม่ใช่มองโลกในแห่ร้ายนะเพราะสภาพใจของเราเนี่ยมันจะวิ่งหาแต่สิ่งที่ใคร่เสมอตามกําลังของอาสว ะ, ะเพราะฉะนั้นมารมันจึงอยู่รอบตัว พระวุทเจ้าเปรียบมานเหล่านี้เหมือนสุนัขจิ้งจอกเปรียบใจของเราที่อยู่ข้างในนี่เหมือนเตา่าเปรียบชีวิตเรานี่เหมือนเตา่าเต่ากับสุนัขจิ้งจอกเวลาเจอกันเนี่ยสุนัขจิ้งจอกมันก็จะกัดที่หัวหรือที่ขาข้างใดข้างหนึ่งแล้วมันก็สะบัดสะบัดสะบัดสะบั ด, บดจนในที่สุดสุนัขจิ้งจอกจะกินเต่าได้ทั้งตัวแต่วันนี้เต่ามฉลาด พอเจอสุนัขจิ้งจอกปั๊บเต่าหดหัวโหดขาทั้งห้าเข้าไปอยู่ในกระดองสุนัขจิ้งจอกก็วนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกจนหมดแรงเบื่อเดินจากไปเต่าตัวนี้รอดเพราะนั้นวิธีวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนก็เหมือนกับการหดอวัยวะของเต่าเข้าไปในกระดองเรียกว่ายกจิตขึ้นสู่มนโนวิตก กุมโมวะอังคานิสเกกะลาเปสโบดาหั่งพิกุมะโนวิตะเกอานิสิโตอัญยะมะเหทยาโนปรินิพุโตนอปปะวะเอยักกันจิจัดว่าพิกษุพึงยกจิตของตนขึ้นสู่มโนวิตกให้เหมือนเตา่าหดอวัยวะทั้งง้าเข้าไปในกระดอง อนิสิตโตจิตนั้นที่ยกไปเป็นอนิสิโตเป็นอานิสิตะอัญญมเหธยาโนในขณะที่อยู่ในมโนเนวิตก ok. คือในขณะที่เรารู้สึกอยู่กับลมหายใจของเราเนี่ยอานิสิโตในรู้นั้นไม่มีตัณหามาณทิฏฐิอัญญมเหชนายมะเหธยาโดไม่มีการเบียดเบียนใครอลองนึกดู ด, ดิขณะที่เรารู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าไม่มีการเบียดเบียนใคร ณอุปะวะเธอยักษ์กันจิตไม่มีการว่าร้ายใครเรียกว่ากิเลสชาติทุกส่วนไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเข้ามาในขณะที่จิตรู้อยู่กับลมหายใจอยู่ในมนโนวิตกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำ